ก็คงจะเวลาจะหันหน้าเข้าหากันก็คงจะลาบากแต่นี้เขามีคนในประเทศของเราที่ว่าเรียนวปอเนี่ยให้เข้าว่าทุกวิชาชีพให้มารวมกลุ่มกันให้มาสมานสมัครคีกันให้มาหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้รู้จักกันถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้ามีอะไรเกิดขึ้นนั่นกับเพื่อนของเราร่วมของเราเรียกเขามาหากันแล้วก็ปรึกษาปาราลบกัน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 ความรู้มันแต่กระสันสั้นเซนหลวงพ่อว่าก็ไม่น่าจะเป็นไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองถ้าเท่าพวกเราได้มารวมกันหรือมาหันหน้าก็หากันอย่างเนี้มีอะไรจะได้ปรึกษาปรัรบกันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพี่กับรุ่นน้องแล้วก็เป็นรุ่นรุ่นกันแล้วก็พิจารณ์รุ่นพี่ถามถึงรุ่นพี่ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุ่นพี่ก็จะไปสานกันเออเป็นรุ่นของเรา รุ่นนั้นลุนนั่ะมีอะไรจะได้ปรึกษาปารัรบกันหลวงพ่อว่าความผึกแผนแ่นแน่นหนาหรือว่าความพร้อมเพียงสามัคคีกันก็จะเกิดขึ้นเพราะพวกเราที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องอาศัยพความพร้อมเพียงสามัคคีถ้าว่าแตแกแยกสามัคคีกันแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อเคยยกนิทานเป็นชาดกในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เห็นพระภิกษุ ในเมืองโกสัมพีที่พระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาในยุคนั้นพระสงฆ์สองกลุ่มนะแต่แยกสมัครคีกันคือพักธรรมกตึกและธรรมพราวินัยทรนอยู่ด้วยกันก็แตกสมัคคีกันพระองฐ์ก็บอกว่าการแตกแยกสมัคคีกันไม่เป็นผลดีในครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยนกกระจาบมันอยู่เป็นฝูงแย่งกันเป็นใหญ่ผลที่สุดก็แตกสมัคคีกัน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 ไอ้นคนลูกน้องไอ้ น, นกทางหลายมันตัวมันที่ เ, เร็วๆเวมื่ก่อนเห็นกับผู้รองหัวหน้าเหมือนกันเออใช่หัวหน้าเนี่ยรองหัวหน้าเนี่ยพูดถูกว่ะพอลูกน้องอย่าไม่ได้กินทุกตัวหัวหน้าพาบินแล้วเนี่ยนี่แหละนกสาเหตุเกิดให้นกแตกกันอีกหัวหน้ากระรองหัวหน้าพอี่สุดก็เลยนกสองหูนกรองหัวหน้ากับหัวหน้าก็ไปด้วยกันบินไปด้วยกันอนยะ่างนั้นแต่ไปก็ทกเทงกันอย่างนะั้ผลที่สุดมัน ถึงวันหนึ่งเนี่ยมันนกสองตัวมันความแตกแยกสัมันธีมันถึงขีดแดงมันก็ผลที่สุดก็เลยนกสองตัวนะก็แต่ว่ามันไปกินที่ไหนน้มันจะมีตาข่ายตาข่ายพวกนายผ่านพ่านนกเขาจะมีตาข่ายเนีพอไม่กินอ่ะมันมีตาข่ายใหญ่พบมันปิดนกแต่นกตะกรอมหน้านี่นะนกหัวหน้าที่มันสั่งขึ้นบอกบินนกเป็นฝูงเป็นร้อยเป็นพัน อมันจะบินไปขึ้นพร้อมกันมันจะเอาตาข่ายขึ้นของในพานขึ้นไปอยู่บนยอดไม้เลยเพราะมันบินพร้อมกันแต่มาคราวนี้นกแตกสมักีกันอพอไปถึงเนะี่ยอย่างที่ว่าเน่ะแย่งกันเป็นใหญ่ผลในสุดก็หัวหน้าก็เห็นตาข่ายมันปิดอีกอย่างเกึ่าหัวหน้าก็สั่งบินแต่พวกกลุ่มหนึ่งบอกว่าพวกเราไม่ต้องบิดไอ้พวกไหนเก่งอะบินอ ไอ้พวกหัวหน้าก็พยายามบินบินมันก็ไม่ขึ้นเพราะกําลังไม่พอพอเหนื่อยจะไม่บจบพอจากนั้นก็ลองหัวหน้าเอาบินไอ้พวกหัวหน้าที่มันบินเหนื่อยเอา้าเอาบินไต่สูภาพบุรุษกเก่งบินหัวีิสุก็เลยบินไม่ขึ้นอยู่แพอดีกับลานนกก็มาถึงพอดีกันรวบตาข่ายตีนตาข่ายมากับคอนเขาก็มุดเลยท่านทุกไปทุกมา นกเหล่านั้นก็เลยตายทั้งหมดตายทั้งฝูงก็เลยเป็นนะนายพานก็เลยไปถอนขนปลงกระทะัะเป็นอาหารอะไรของนายพานเป็นสินค้าของนายพานไปทั้งหมดทั้งฝูงเพราะพระเจ้าท่านตรัสว่านี่แหละนกทั้งหลายแตกสา ม, มัคคีกันก็ทําให้จิบหายทั้งฝูงได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าแตกสา ม, มัคคีกันมีอะไรก็ต้องปรึกษาปรัรบกันหันหน้าก็ห้ากันมีอะไรก็ต้องมี คนคนหนึ่งจะให้ดีทุกอย่างเป็นไปไม่ได้จะให้เล้ยวทุกอย่างก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้อีกเหมือนกันนั้นให้พวกให้พร้อมเพียงสมรูคีกันอันนี้ก็คือในธรรมบทในธรรมเอในพระสุตตันตปิฎกในชาดกจากนั้นพระองค์ตรัสอว่าการผูกพยาบาทอาฆาตกันก็ไม่เป็นผลดีมันจิบหายทั้งสองข้างอีกเหมือนกันอย่าไปผูกอาฆาตกันจะไปพยาบาทจองเวีกันมีอะไรให้อาภัยกันดีที่สุด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 กิ่งไม้สะโคนะมันหล่นมันหักกนะิ่งไม้แห้งนะมันหักลงมาถูกหัวหมีหมีก็เลยมองขึ้นไปต้นไม้จะโค้โทมันทําไมมันหล่นใส่หัวเราเอาเตอะอีกสักวันหนึ่งเ อ, อถ้าข้ามีโอกาสข้าจะต้องโค่นไม้สะขค้ตัวนี้ให้ได้มันทําไมมีกิ่งไม้มันหล่นลงมาใส่หัวข้าเนี่ยบะกําลังจะนอนชวนชะหวานนะเอีอ่ยทีนี้ก็พอ พูดอย่างนั้นได้แล้วก็เติรนท่วมเตียงไปหานอนที่อื่นแต่นี้พอสา ย, สา ย, สายขึ้นมาพวกชาวบ้านเขาก็เลยอยากจะได้ไม้ไม้มาทําแอกรถมาทํางอนรถเขาก็เลยแบบทับประสมพระพวกเลื่อยพวกขวานพวกมีดอะไรเข้าไปในป่าพอเข้าไปในป่าหมีตัวนั้นเห็นเห็นคน <c oughs> อันนี้ก็คือท่านสอนเป็นชานดกนะหมีทําไมพูดได้ไะห ม, มีก็เลยเข้าไปหาคนว่าพวกท่านทั้งหลายมาอะไร คนเขาก็บอกว่าต้องการไม้ทํางอนรถแหกรถหมีตัวนั้นก็บอกว่าไม้อยู่ในป่านี้ข้าพเจ้าเดินอยู่ในป่ารงพงไปนี่ไม้ที่แข็งแกร่งน่ดีนั่นะคือไม้สะโพกนี่ข้าจะพาไปดูเนี่ยคนก็เดินตามไปก็เป็นก็ไปชี้ไม้นี่ไม้สะโพตัวนีน้เป็นไม้ที่ดีแข็งแรงแข็งแกร่งเนี่ยของเข มีบอกขนาดนี้มันก็ตองไม้ดีแน่เขาก็วางเครื่องทัพสัมภระพวกยามพวกถุงพวกสูงอาหารเสร็จแล้วเขาเอาเลื่อยเอาขวานตัดต้นไม้ตัวนั้นพอตัดเสร็จแล้วเขาก็ม า, าตกแต่งมาขาให้มันพอที่จะแบกได้กลับบ้านแต่นี้ลุคะเทวดาที่สิงอยู่ต้นไม้เฉพาะต้นนั้นออพอหมีไปชี้ให้นี่แหละต้นไม้ต้นนี้แหละ ลูขะเท ว, วดาที่สิงอยู่ต้นไม้ต้นนั้นบอะโอ้โหทำไมหมีเนี่ยเ อ, อธรรมดากิ่งไม้แห้งไม่ให้หล่นตนลงดินมันจะหล่นไปที่ไหนหมีมานอนอยู่ข้างล่างมันก็หล่นตามเรื่องของมัน อ, อกิ่งไม้มันก็ต้องหล่นลงดินไอ้นี่มันถูกหัวมีหมีทําไมมาปลูกพยาบาทอาคาดของบ้านของข้าเนี่ยลูกขะเท ว, วดาคือต้นไม้คือเป็นบ้านของเท ว, วดาเนี่ยแต่เนีเ่ยเทวดากอเอาเถอะถ้าคาด ได้โอกาสเมื่อไรค่าจะจัดการกับหมีตัวนี้ฮะมันจองเวรกันแล้วนะทีนีเนี่ยผลที่สุดก็เลยลูกขาเทวดากรีผลของออกจากบ้านพักของตัวเองเขาก็เลื่อยไม้กป็โคนลงมาแต่นี่พอเขาถากไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะกลับบ้านแนละ้วเป็นเนี่ยลูกขาเทวรากับแปลงเป็นมนุษย์มาท่านท่านเนี่ยท่านทำอะไรเนี่ยเขาบอกว่าทางอนรถแหวรถเออท่านอยากจะให้มันงามไหม อยากจะให้มันสวยไหมเมื่อเสร็จแล้วโอ้ยกะอยากอยาให้มันสวยนะเออนะถ้าอยากจะให้มันสวยนะไปอมหนังหมีหุ้มนะเออดําหนังดํามืมเลยสวยงามมันมืดเลยมแล้วจะทํำยังไงจะไปยากอะไรมันนอนอยู่หนามีเนยะย่องย่องไปขวานสับหัวมันเลยนะพอสับหัวมันเสร็จแล้วก็ลอกหนังมันกับมาพันกับนี่แหละกับแอกรถวอนรถที่ท่านถากไปนเนี่ยกับป้าเนี่ ไปก็ไปหุ้มมาเลยโอ้ใช่ถ้าได้มนุษย์ก่เนี่ยเห็นแก่ตัวอย่แล้วเช่มนุษย์ยก็ย่องย่องไปกับขวาทีนสับหัวหมีเลยพอสับเสร็จแล้วก็ถลอกก้อนนังมันก็เสร็จแล้วก็พันพันใส่ไม้แล้วก็แบกเข้าบ้านเนี่ยนิทานเรื่องนี้ชาดกเรื่องนี้สอนให้เพราะว่าถ้าหากว่ามีการพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันอยู่เวีจะไม่ระงับจะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนหมีกับไม้สะพโพเพราะฉะนั้น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 อันนี้ครับผมให้คำแนะนำสำหรับบอกท่านให้ท่านเป็นแนวเป็นข้อมูลเอาไว้เนี่ยผมได้ถามแล้วคนที่เชื่อนะ่ยประมาณสักห้าหกเปเซ็คนที่ไม่มั่นใจอีกประมาณสักสองสามเปเซไม่รู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วนสะูดอีกจุมนวนนทุกที่ไม่เชื่อทเลมากกว่ามากถึงเก้าสิบปอร์นนั่ะ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 คลองราชอายุยี่สิบถึ ง, ถ ง, ถงออยี่บยี่เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีเมื่อครบยี่สิบปีแล้วท่านหนีออกไปบวชหนีออกจากเพียงวังเพราะท่านเห็นอะไรท่านจานึงหนีท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายท่านบอกจะทํำยังไงถ้าท่านอยู่อย่างนี้ท่านก็ต้องตายแน่เพราะว่าเหตุอะไรเพราะพ่อแม่ปู่ย่าตายายตายลงมาเป็นลาดับแล้วก็ต่อไปแบบ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 เห็นนักบวชนั่งอยู่โคนต้นไม้นั่งสมาธิสำรวมกายนั่งนิ่งท่านเห็นแล้วเออถ้าหาว่าเราได้ออกมาปฏิบัติแล้วออกมาทำอย่างส ม, มณะองค์นี้พระองค์นี้ส ม, มณะองค์นี้นั่งอยู่โคนต้นไม้ตามลำพังเราคงจะคิดหาทางออกได้ที่จะมองเห็นในความแก่ความเจ็บความตายของเราเจะหนีออกอยังไงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายถ้าเราอยู่นี่เราต้องตาย อย่างที่เราเห็นเห็นอันนี้คือความในใจของสิท ธ, ธัตถะจากนั้นพระองค์พอได้หนีออกจากเวียงวังกลางคืนเนี่ยจุดนี้ก็คนทั้งหลายเขาก็บอกว่าจิตธัตถะเห็นแก่ตัวทั้งที่มีครอบมีครัวแล้วก็ห น, นีออกไปอยู่ตามลาพังตัดช่องน้อยไปหาความสุขแต่ตนเองฮะแต่ตามไม่จริงไม่ใช่นะ เ, นเราคิดใหม่เพราะว่าสิท ธ, ธัตถะเหมือนกับ ถึงยังไงยังไงเราจะต้องทุกข์ยากลํำบากแน่นอนอันนี้ท่านไปเสาะแสวงหาหาทางที่จะไม่มาเกิดแก่เก็บตายท่านไปหาสมบัติพูดยังไงไปหาทรัพย์สมบัติไปหาทางออก อ, อจากนั้นเมื่อได้ทรัพย์สมบัติแล้วท่านจะนํามาแจกจ่ายให้แก่คณะญาติของท่านพ่อแม่ของท่านวงศาระฆนาญาติของพระ อ, องคนะ์ท่านแต่ไหนท่านกลิดหนีไปอยู่ป่าทั้งหกปีไปบวชอยู่ในป่าหกปีอยู่ตามลาบากพระมหากษัตริย์ เจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่าพวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าจะลํา บ, บากขนาดไหนทีนี้วันสูตรสรักหนึก็คือวันเดือนหกเพนเพราะพระองค์ได้ตัดสรูปอะไรอันนี้พวกนี้พวกเราจะนั่นทำมานํามาประยุกต์ใช้สําหรับตัวของเราแล้วทีพระองค์วันเดือนหกเพนนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงคือพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นพระองค์นายโสธิยะนาญาขาผ่านมาหาบ ยาคาผ่านมาก็เลยมอบให้มอบญาคาให้แก่ชิทตตะแปดกำมือนี่ยแปดกำมือเพระองค์โกได้ญาคาจากนายโสธิยะนายโสธิยะคงจะเห็นว่าชิทตตะนั่งอยู่โคลนต้นโพนะเนี่ยมันคงจะเป็นลากลอยที่มาจากดินนั่งไม่สะดวกเออมันคงจะเป็นไม่สะดวกกันเห็นชิตตะนั่งอยู่ตามมาฟังกันก็เลยมอบญาคาให้แปดกำมือพอชิทตตะท่านได้ญาคาแปดกำมือท่านก็หามุม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 จะนี้เราไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตขณะที่คิดๆอยู่ในอยู่ในลมหายใจเข้าออกเท่านั้นไม่ให้ให้ขยับไปที่ออยู่ที่ปลายจ ม, มูกนี่แหละคือกรรมาฐานนด่เอยให้กาหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยขององใจของผงรวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัตนะเกิดฌาน ระลึกกลาลึกชาติผลหลังได้ปุกเพรในวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้ชาติที่แล้วมาจากไหนอย่างที่พวกเราเดี๋ยวนี้เรามาจากไหนแล้วก็่ระลึกย้อนหลังไปย้อนแล้เมื่อวานเนาะอยู่ไหนอาทิตย์ก่อนอยู่ไหนเดือนก่อนอยู่ไหนปีก่อนอยู่ไหนเพราะพระองค์เราลึกถึงชาติก่อนชาติที่แล้วมาจากไหนพระองค์เราลึกถึงไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติ ระลึกชาติผลหลังได้เพราะท่านมีญานารัตนะคือมีเครื่องมอือเครื่องมือนึกถอยหลังได้อันนี้แต่ว่าอเเุปเเพนิวาสานุจติญาต์ระลึกชาติผลหลังได้ในญานรัตนนั้นต่ในพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็ตั้งภาวนามไม่ลดละกำหนดดูใจพระไทยของผมจิตรวมสงบลงไปหนึ่งล้ำลึกได้ชานได้ญารณรัตน์เกิดขึ้นอีกกว่าจุตูปปาตายาน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 เขาทำกรรมเมื่อชาติแล้วก็าทำกันอย่างนี้มาเกิดชาตินี้เขาจึงเป็นอย่างนี้แต่คนที่เฉลียวฉลาดคนที่มีทรัพสมบัติเกิดขึ้นมาร่ำรวยเป็นผู้มีสติปัญญาชาติที่แล้วเนี่ยเขาทำกรรมอย่างนี้มาเกิดชาตินี้เขาจึงเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปภายภาคหน้าเลยชาติหน้าล่ะถ้าคนคนนี้ทำกรรมอย่างนี้แต่เกิดชาติหน้าเขาจะเป็นอะไรพร e ะองค์ก็รู้อีกตั้งว่ามฉลกแรกคือของมนุษย์ของเราเนี่ยกรรมคือการกระทำ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 สัสนกันว่าทําไมพระโมคขาลาทำดีขนาดนี้ทําไมจึงถูกโจรฆ่าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพองค์บอกว่าพระโมคคลาตายสมควรแก่กรรมที่ตนได้กระทําไว้พระสงฆ์ตั้งหลายไปกราบทูลถาว่าด้วยกรรมอันไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าในอดีตพระโมคขาลาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของท่านเออเพราะนั้นท่านจึงได้รับกรรมถูกถูกฆ่าโจรฆ่ามาถึงขนาดนี้นี่แหละ อันนี้ก็คือจุตูป่าแตยานของพระพุทธเจ้านี่เพราะฉนั้นท่นได้มาพูดถึง อ, อมาพูดถึงแนวแถวสายหลวงปู่มั่นพอแม่กูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านให้ทําอย่างไรนี่อันนี้ก็เรานํามาประยุกต์ใช้นีอ่อพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนอย่างนั้นแต่หลวงปู่มั่นทนะ่านบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานคณะจัตตารยาจงทั้งหลายถ้าจะปฏิบัติตามศีลธรรมนั้น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 จากนั้นเราบริกรรมเข้าไปพุทโธพุตโดใจของเราจะเข้าสู่ความสงบนะพอจิตใจของเราเข้าขู่ความสงบแล้วใจจะเย็นว่างเยใจจะมีความสุขในระดับหนึ่งพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะว่าเอออันนี้คือจิตสงบใจสงบเนะีมันจิตมันเย็นมันผิดปกติของใจอันนี้แหละคือสมาธิถ้าจะว่าไปแล้วก็คือคณิกะเนี่ยคือปิจิตสงบเพียงชั่วประเดียวประเดาคณนะิกะสมาธิ แต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจใจของเราจะรวมสงบลงเป็นเน่อต่อไปอีกเดี๋ยวอุปยาระสมาธิจิตจิตใ จ, จเราคิดเรื่องอะไรจิตใจของเราจะไม่ปุง๋งไม่พุ่งไม่สานเราคิดเรื่องอะไรเรารู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้อันนี้ อ, อุปยาระสมาธิจากนั้นจิตของเราเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นดูให้ดีองไปจิตจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตเป็นอันไดสติเป็นอันนั้น สติเป็นอะไดจิตเป็นอ น, นั้นอันนี้คืออัปปนาสมาธิอัปสมาธิมีอยู่สามขัน้นเพียงเท่านี้คันนี้ก็ประจระอัปปนาสมาธิจากนั้นจิตก็ถอนขึ้นมาเพียงเท่านี้เราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุไรเพราะกายกับใจอาศัยกันอยู่ในร่างกายของเรามีอยู่สองคือรูปธรรมและนมะามธรรมรูปธรรมคือร่างกายส่วนนมามธรรมนั่นคือใจตัวผู้รู้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 คับรถคันนั้นก่อรถคันนั้นเขาไม่ดีไปด้วยนนี่แหละข้อสําคัญก็คือพบพร ะ, ระงให้ความสําคัญเรื่องโชเฟอร์เถ้าว่าโชเฟอร์ดีขับรถคันนั้นก็ดีคันนั้นก็ดีนิสัยด์นีไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่แตอนนี้พบพระองค์ในศัจราของบริษัทธนาท่านให้ความสําคัญว่าในขณะที่รถมันจะเสียรถคันนี้มันต้องใช้ไปมันต้องหมดสภาพ ในเมื่อรถหมดสภาพนั้นเจ้าของรถจะทํำยังไงถ้าเจ้ารถเจ้าของรถไม่ได้สนใจหาทุนนะครับอไม่ได้ต้องไม่สนใจหาเงินเพื่อเตรียมซื้อรถคันอื่นไม่ได้สร้างบุญสร้าง ก, กุศล้าสู่จิตใจของตนเองไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจอว่าตายแล้วศูนยชิดอย่างนั้นนะแล้เมื่อตายไปแล้วนะเมื่อเมื่อรูอ้ตกจากล่างนี่แล้วนะ่ะใจตรงนั้นจะไปยังไงนี่แหละ อันนี้หลักของพธธุทธศาสนาท่านว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้กรรมชั่วอย่าทําเสเลดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังอกตังตุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิตุกตังความชั่วจะทาเสเลดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นพอให้พวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อแนะนําวันนี้ก็อ้างเหตุผลยืดยาวพอสมควร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 พวกเราจะมีสติปัญญาขึ้นมาได้ในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังประจันวันนี้อาตมาภาพไร้แนะนำธรรมะตั้งแต่เริ่มต้นความพร้อมเพียงสามกียกเป็นชาดกเพื่อเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาจากนั้นก็ได้ยกเรื่องของจิตใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้ายกพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษา ที่โคลนต้นโพท่านได้ตัดสรุปอะไรนะปุ เ, ปเพในวาสารุจติยานจตูปปาตยานอาสาวกคยญาณจนท่านได้ตัดสรุปเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานหรืออาสาวะคยญาณจากนั้นก็ได้แนะ น, นําแนวของหลวงปู่มั่นท่านสอนอย่างไรท่านให้กําหนดภาวนาอย่างไรวิธีการพวกเราจะนําไปประพฤติปฏิบัติแล้วพวกเราจะได้รับความสุขความเย็นใจ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 เราจะรู้ชัดด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเป็นอันหนึ่งใจของเราคือนามธรรมนั่เป็นอันหนึ่งเราแยกแยะได้เลยว่าร่างร่างกายเหมือนกับรถส่วนจิตใจคือรูปตัวรู้สึกเหมือนกับคนกับรถมันอยู่ด้วยกันในร่างกายของเราแต่เมื่อร่างกายของเราแตกหมดสภาพโซเฟอร์รถนั้นก็ต้องหนีออกจากร่างไปตู่ไปปฏิสนทิไปหาเกิดที่อื่นอีกไปจองร่างอื่นอีกถ้าเรามีเงิน เราก็จ้องไปจองที่ร่าที่รวยที่จะมีความสุขแต่เราไม่มีเงินออกจากร่างนี้แล้วก็จ้องไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างมา้าวัวควายเป็นได้ทั้งนั้นใจของเราเนี่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อได้เอาแนวธรรมะมาบอกกล่าวให้แก่คณะจทหายาโยมขอขอให้อย่างที่ว่าสุดตะมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาให้แยกแยะ ด้วยหลักเกตฑผลและพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจการพูดหรือการแนะนํากล่าวสมุดธนิยตถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาโดยอํานาจขุนพศีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมเขาขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทิด